พระธรรมเทศนาแ่นที่77ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายซันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุรรธานีสแสดงธรรมในวันที่4มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอุทิศบุญให้เปรตตญาติ ที่ทายกเขาถวายเสยนาชนะพร้อมกับพัฒนาหารพวกเราคณะสัายาติยมไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเออทำไมสร้างวัดมณโนั น, นยิ่งถวายเสยนาชนะอีกเพราะว่าออการถวายเสยนาชนะคือมันต่อเติมเหมือนลังต่อลังแตนนั่นออละรังต่อลังแต น, น, นใช่ลังมันก็เป็นมีอยู่ทาไมจึงว่าลังมันต่อเติมออกมา การต่อเติมออกมาก็ต้องใช้ทุนนะซั์ต้องได้ใช้เงินเอ่ออย่างที่ต่อเติมศาลาของเราข้างในนะั่นแหละจิตาญาณโยมลูกหลานถ้าว่าใครยังไม่เข้าไปก็เข้าไปดูนะแต่ตอนนี้ไปเมื่อศาลาลังในเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าเขาคงจะได้ฉันปัฒหารที่ศาลาข้างในนะั่นแหละนะนะทางพี่น้องทางจังหวัดพิชโนโลกนะพร้อมกับพระ อ, อ, อาจารย์อังคาร กับพวกคณะแพทย์คณะพี่น้องได้ถวายหินนะและก็ค่าแรงด้วยนะงบเข้าไปกับหูเกือบสองล้านนะข้างในนะโรกหลานน ะ, ะแล้วก็ถนนหนทางอีกที่พวกเราได้สร้างเฉพาะปีนี้ก็หลายแห่ง ภายในวัดของพวกเราก็ลดแล้วแต่เป็นจตุปัจจัยของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอย่างนี้นะที่มาเนี่ยนะคนละมากคนละน้อยอไม่ใช่ว่าของหลวงพ่อนะเป็นของศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นจึงได้กล่าวเป็นคำถวายทานขึ้นมาทั้งเสนาสะนะด้วยทั้งพัฒหารด้วยพร้อมๆกัน เ, เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลรวมกัน เอาตอนนี้ไปฟังนะจะดีนะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักไม่นานหรอกเพราะว่าจัดอาหารมามากแล้วนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งอย่างที่โคศกได้พูดที่โคศกพูดจบลงสักครู่นี่คือท่านปลัดจังหวัดนะจังหวัดอุดรของเราเคยมาบวชอยู่ที่นี่เพราะนั้นท่านจึงรู้เรื่องทุกอย่างและก็ท่านได้ไปร่วมประชุม เกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาด้วยกับทางจังหวัดนะเพราะนั้นท่านจึงอธิบายให้พวกเราฟังได้ชัดเจนดังวันนี้น ะ, เ, ะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มารวมร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณที่หลวงพ่อประกาศแล้วประกาศอีกอะฉะนั้นต่อไปนะปีทุกปีนีต่อไปทุกปี จะเป็นปี59เอ่อเลือ60ก็ตามนะจะถือว่าวันวิสาขาบูชานี่แหละเย็ดวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะเป็นวันทําบุญรวมญาติของพวกเราในวัดของเรามีอยู่3งานนะลูกหลานนะและก็วันที่27เมษายนวันหนึ่งคือเป็นวันเกิดของหลวงพ่อแต่ที่พูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ให้ลู ก, ลกหลานหนักอกหนักใจเพียงแต่ประกาศให้ทราบว่าเมื่อมีโอกาส จะมาร่วมมารวมมาร่วมกันมาเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้เห็นลูกเห็นหลานทุกคู่ทุกคนวันที่27เมษ า, าถ้าหากว่าผู้ใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังนับเนื่องว่าเป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่ออย่างเก่านั่นแหละแต่ถ้ามาได้ก็ดีวันที่27แล้วก็วันกระถิน่นงานกระถินครั้งหนึง่ง อันนั้นเกิเป็นงานประจําปีแต่ยังไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่ากรถินเนี่ยเป็นวันไหนให้ลูกหลานคอยฟังกันแล้วกันออกพรรษาแ ล, แล้วก็กรถินนั่นแหละเพราะฉะนั้นงานในวัดของเราหลวงพ่อประกาศได้เลยนะออกพรรษาแล้วคือคื อ, คองานกระถิ่นแล้วก็งานนี่แหละงานมาวันมาฆะบูชาเนี่ยเป็นงานทําบุญรวมญาติของพวกเราคือหลวงพ่อคิดว่าได้ถ้าจะจัดเป็นงานอื่นไปก็รู้สึกว่ามัน เป็นงานอื่นทว่าวันมาฆะบูชาเนี่ถึงยังไงก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วเป็นวันทาบุญกุศลของพวกเราอยู่แล้วเพราะนั้นถือว่าวันนี้นะ่ะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการคุณภายในวัดของพวกเราด้วยเพราะนั่นจึงตั้งแต่ปีนี้ละเป็นต้นไปนะปีปีนี้หลวงพ่อก็ขยักขย้อนเพียงประกาศเพียงเกินเพียง15้าวัน แต่บางคนศรัทธาญาติโยมลูกหลานบอกเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจึงไม่ประกาศให้เราทราบหลวงพ่อนี่ไม่ให้ความสําคัญกับเราบ้างเลยเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะอพอหลวงพ่อมีภาระมากเหลือเกินแล้วก็ประกาศเพียง15บห้าวันหลวงพ่อเลยถามเอ๊ะศาลาข้างในเสร็จไหมเนี่ยถ้ามันมันเกะกะศรัทธาญาติโยมเข้ามาเห็นก่อสร้างเกะกะอยู่กด็ดูๆไม่จะไม่ เรียบร้อยพอจวนเข้ามาเพียงสิบห้าวันพระท่านก็บอกว่าเสร็จครับ เ, เสร็จเรียบร้อยได้ครับเออเอาถ้าเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ประกาศเพราะนั้นประกาศข่าวนี้จึงประกาศเป็นประกาศเป็นกระทันหันจึงขออภัยกับลูกหลานทุกคนด้วยนะผู้ที่ไม่ได้มาทามาแล้วก็เออเอาก็ดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ปีหน้าฟนะันมาฆะบูชาประกาศล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปีนี้เลยละ่ะ ถ้าว่าผู้ใดยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เอามาถ้าผู้ที่มาได้ดังร่างกายแข็งแรงเออเออกมามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณอย่างวันนี้ละเพราะนั้นขอประกาศให้คณะสัตายาติโยมลูกลูหลานหลานเน้อแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อ 2,558 ปีให้หลัง พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงค์บัญญัติก ฎ, กฎกติกาแล้วกฎรัฐธรรมนูญปลกครองสง่งท่านประชุมกันเมื่อตอนบ่ายท่านไม่ไปชมกันไม่ได้ไม่กี่นาทีนะไม่กี่ชั่วโมงน ะ, ะท่านประชุมกันเสร็จเรียบร้อยอจากนั้นก็ประกาศเป็นกฎออกมากฎของท่านดูสิทั้ง2 5 5 0ับาทแปีให้หลังพระสงฆ์ทั้งหลายยังนํามาประพฤติปฏิบัติ ยังมาปกครองสงฆ์ได้ตลอดเพราะเหตุไรเพราะท่านเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะพระสงฆ์เหล่านั้นพัน0รโรบก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคำว่าเอียงซ้ายเอียงขวาฉันทากติโทสะกะติโมหะคติพยคติไม่มีในพระไทยของพระพุทธเจ้าไม่มีในหัวใจพระพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์แล้วนั้น เพราะนั้นท่านเป็นธรรมคำเป็นธรรมคำนี่แหละท่านตรัสออกไปเนี่ยไม่ได้กระทบกระเทือนผู้ใดถึงจะกระทบกระเทือนก็กระทบกระเทือนผู้ที่มีกิเลสโลภโกรธหลงอยากจะให้ได้อย่างใจตัวเองกระทบแน่แต่ว่า้าว่าผู้เป็นธรรมในจิตในใจแล้วเ อ, อบอกว่าถูกต้องเพราะนั้นการวางกฎหมายของบ้านเมืองก็งเหมือนกันหลวงพ่อจึงให้ความคิดเห็นว่า อย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะวางกฎกติกาขึ้นมาเนี่ยท่านตรัสไว้ว่าสัป ป, ปาปัสสะาการนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุสศลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสะจิตตะปริโยรปานังการทําจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วให้หมดจดจากกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงหนึ่ง เอตังพุทธานาสาสนังอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราที่เป็นหัวหน้าหรือจะเป็นผู้นําถ้าหาว่าอยู่ในสัพปะปัสสะากระรังคือไม่คิดไปในทางที่บาปกุศลสูปัสัมปดาคิดไปในทางที่กุศลและกระทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงหน้าเอียงหลัง อย่างที่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพสสระสงฆ์สาวกบัญญัติวิ น, นัยกฎหมายบ้านเมืองของเราก็จะมั่นคงผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายก็เชิดเชิดชูบูชาเออใช่เอผู้ที่สร้างตั้งกฎหมายขึ้นมานี้เป็นธรรมจริงๆเขาก็จะได้เชิดชูบูชาเราเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราตั้งสร้างตั้งธงไว้แล้วว่าสัพ ป, ปปา ป, าปัสสะกระนังกุสระสู้ปะซัมปดาส จ, จิตประโยรปานังฮะเออ คือวันคือเราตั้งธงไว้ทั้งสามอย่างนี้แล้วเรายังค่อยคิดเอากฎหมายออกตัวไหนออกมาไงหลวงพ่อว่าจะมั่นคงถ้าหากว่าพวกเราได้คิดตั้งธงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็มีแต่กล่าวย้ำเตือนแต่ถึงยังไงก็เถอะนะพวกเราทุกๆุกท่านที่เป็นที่มาสู่วัดวาศาสนาะที่เป็นญาติโกโหติกาญาติโยมของหลวงพ่อก็เหมือนกันให้มีหลักให้มีเหตุให้มีผล ให้คิดในใจไว้อยู่เสมอว่าสัพปะปาปัสสะอักระนังเหมือนกันนะเออข้าพเจ้าจะไม่ทำํำบาปทํากรรมทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งครับเนี่หลวงพ่อเนี่ยไปนะัดสถานที่ใดหลวงพ่อเนี่ยปีแต่ไปช่วยดูแล อ, อการงานสิ่งนั้นให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะไปที่ไหนก็มีแต่ไปเกื้อกูลหนุนให้เกิดประโยชน์ อ, อต่อพี่น้องประชาชนจัตวาญาณโยมวัดวาศาสนาอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไป ไปชุมเพลิงของคูุณหมอบัณฑิตฟันที่สพอไปชุมเพลิงวางดอกไม้เจนเสร็จเรียบร้อยแล้วฝัง่งนกวางดอกไม้จันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสัตายาญาติโยมทั้งหลายหลังหล่งไหลเข้ามาเขามาถวายปัจจัยหลวงพ่อนะคณะกรรมการก็คงจะวิตกกังวลเหมือนกันนาทีแรกว่าเขามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะเอาปัจจัยมั่งเขาก็ประกาศเอาไปใส่ตู้ぜ คนก็หลั่งไหลามาหาหลวงพ่อเลยทั้งสาตู้ก็คงจะมีนั่นแหละแต่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งเพียงพรัเดียวนะั่งเพียงครั่เดียวไม่ถึงชั่วโมงนะ่ะหลวงพ่อได้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะหลวงพ่อให้ผู้จัดการผู้จัดการไทยพาณิชย์จดไว้ให้นี่พูนะ่น่ะห้าแสนหสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ยังนับไม่ครบทนะั่นจะอีกต่างหากพ้นหลวงพ่อนี่ยนะเป็นตัวดูดปัจจัยจริงๆเลยถ้าจะว่าไปแล้วนะ หลวงพ่อนั่งอยู่ไปถึงชั่วโมงเลยเออพวกพระทั้งหลายเอาในมลหลวงพ่อไปจุดไฟเออไปจุดไปจุดเถอะจุดไฟนั่นน่ะเเราจะหาปัใจจัยให้วัดมานี่หลวงพ่อก็นั่งพอเสร็จแล้วเออเอาปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเน้อที่หลวงพ่อรับในมอบให้ทางวัดเอาไปใช้เพราะว่าหลวงพ่อท่านก็อายุทั้งแปดสิบกว่าแม่ก็จะนะคู่เลี้ยงลายกัน่ะแม่ก็อายุมากแล้วเ อ, อพระลูกชายก็ตาย เออต่อไปภายภาคหน้าจะอยู่ยังไงเนี่ยหลวงพ่อคิดถึงขนาดนั้นอนะ่ะเอาจตุปใจเตรียมเตรียมไว้เนะี่ยลูกหลานนะใช้ให้เกิดประโยชน์เอาหลวงพ่อมอบให้ทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละหลวงพ่อไปนะัดสถานที่ใดนะหลวงพ่อจะอมองดูแล้วก็อมอบให้เป็นเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม เ, เพราะนั้น วันนี้ก็เป็นวันมงคลมหามงคลคณะศรัทธาญาติโจนที่พวกเราพูดแล้วพูดอีกเอาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอโนุโมทนาให้พอนะให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลในตั้งใจแน่วในใจนะให้คิดในใจเออผู้ฆ่าได้มาทําบุญร่วมในวันนี้ออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งแต่ว่ายพระสวดมนต์ตักบาตรเป็นบุญเป็นกุศลขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุน พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคานาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีอโหสิให้กับพวกท่านพวกท่านก็อโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยที่เป็นเจ้ากรรมในเวรให้เลิกลาให้เลิกแล้วกันไปข้าพเจ้าจะเป็นเป็นผู้อุทิศส่วนกุศลทางว่าข้าพเจ้าทําคุณงามความดีอะไรขอให้พวกท่านมีส่วน ในการบุญการกุศลของข้าพระเจ้าด้วยแล้วก็ให้รวงวิจญาณ์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ว่าในอดีตชาติไม่ว่าในปัจจุบันชาติถ้าตกทุกข์ได้ยากากข็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขความยิ่งยิ่งขึ้นไปขณะนี้พวกเราได้มาทําบุญรวมมาทําบุญรวมญาติ พวกเราก็มีญาติพี่น้องพอ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อก็ได้ทําบุญทิสสวนกุศลถึงพอ่อแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันนะปู่ย่าตายายของหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อได้ทําคุณงามความดีอันไหนไว้ขอให้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นมีส่วนในการทําบุญทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับหลวงพอ่อทุกทุ ก, ท ก, ทกดวงวิญญาณทุกๆดวงใจนะ หลวงพ่อก็ได้คิดไว้อยู่อย่างนั้นเสมอตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องถ้าหว่าผู้ใดมีส่วนที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราจากหลวงพ่อด้วยทุกคนแต่บอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ทราบนะการทําบุญอุทิศส่วนกุศลนั้ไม่ใช่ว่าจะได้รับทกดวงวิญญาณไม่ใช่นะตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าผู้ใดทํา ทำบาปกรรมหนักพอตายไปแล้วไปตกนรกส่งนายไปเนนี้ก็ส่งไม่ถึงเหมือนกันมันไปอีกมิติหนึ่งถ้าไปเกิดเป็นสติไราชานก็ไม่ได้อีกไม่ได้รับอีกไปสู่สวรรค์ก็ไม่ได้รับอีกออล้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับอีกผู้ที่ได้รับบุญกุศลที่พวกเราได้ส่งเข้าไปได้รับเลยกนะ็คือพวกเปรตวิสยัยเปตอสุรกาย คือพวกที่ตายไปแล้วเนี่ยบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากคล้ายๆว่าเลื่อนลอยเลื่อนลอยอยู่ข้างๆพวกเราเนี่ยบางทีก็ไปตกนรกขึ้นมาแล้วก็มาหาพวกเราเอ อ, เ อ, อพวกเราจะญาติพี่น้องจะทําบุญให้ข่าบ้างหรือเปล่าน้อเนี่ย อ, อ, อันนี้ก็คือดวงวิญญาณเลื่อนลอยอยู่ถ้าพวกเราได้ทําบุญอย่างวันนี้ล่ะเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความนี้ขอให้ดวงวิญญาณ ท่านเหล่านั้นมารับได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้ด้วยเทินอันนี้เหมือนกับเราไปทํามาค้าขายไปทํามาค้าขายได้เงินมาเราก็พร้อมที่จะแบ่งให้เขาได้เลยไอ้พวกนี้คอยคอยรับอยู่แล้วเราก็ยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้เลยอันนี้พวกนี้ได้รับนะแต่พวกอื่นไม่ได้รับตามตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพวกเราได้เกิดมาเพระพุทธศาสนาและสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะไม่ควรจะคิดคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไม่ควรจะมีในจิตในใจของพวกเรานะ้ลูกหลานนะมีแต่คิดดีทำดีพูดดีสร้างสรรค์สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่ความสุขความเจริญเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราคิดคืนมาแล้วก็ภาคภูมิใจในไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้รังแกใครไม่ได้เอารัดเอาเปรียบใคร แล้วเราคิดขึ้นมาเราก็สบายใจนะถ้าเราคิดทำความชั่วขึ้นมาแล้วมันเศร้าหมองนะจิตใจมันเศร้าหมองในะจิตใจใจลึกๆนะเพราะนั้นอย่าไปคิดอย่าไปทำมันสิ่งที่มันไม่ดีคิดแต่ดีคิดดีทำดีพูดดีนยะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนานะตินีเนาะอบทที่ส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนาะอ